Yeah. Mm -hmm.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 ก็เลยดันโดนจาริกไปไปหาหลวงปู่มั่นนะก็ไปถึงอีอสานเลยนะทันก็เราประสบการณ์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นว่าทีแรกทางก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมหลวงปู่มั่นเวลาสอน ลูกศิษย์นี่ยึงสอนหรือแนะนำไม่เหมือนกันมีลูกศิษย์คนหนึ่งนะเป็นพระนี่แหละป่วยไม่สบายเขาจะเป็นจะมาลาเรียนะป่วย ไ, ได้ไม่นานก็ขอยาหลวงปู่มันก็ต่อว่าว่าอะไรกันจะเอาอะไรเป็นสอเอาจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งหรือสารณะ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 บำเพ็ญชากริยานืโยกนะก็คือไม่หลับไม่นอนนะให้ทำความเพียรให้มีความตื่นก็กระตุ้นเรานะแต่ก็ บ, บางรูปนี่ท่านก็กลับพูดให้คลายความเพียรลงเพราะอะไรเพราะทำความเพียรมากไปนะจนจิตทุงส่านนะอย่างพระสน ก, กรุลิวิสาเนี่ยเป็นคนที่ทำความเพียรหนักมากไม่ยอมพักเลยแล้วก็ชอบทาความเพียรในเรืยอบทเดียวคือเดินจงกรม เท้าท่าก็แต่เพราะว่าเป็นคนผิวบางเป็นพวกสุขสุขุมอรชาตินะทางจงกรมนี่ก็มีเลือดนะไหลเป็นเป็นแนวเป็นทางนอกจากทรามานนอกจากปวดเท้าวปวดกายแล้วยังใจก็เป็นทุกข์ด้วยเพราะว่าท้อกับการปฏิบัติทําไมทําความเพียรขนาดนี้ถึงไม่บรรลุนะถึงไม่เห็นธรรมก็เพราะทาความเพียรมากไปนะสิ ทำความเปลี่ยนมากไปนะพระองค์ก็เปรียบเทียบให้พระสนานเนี่ยซึ่งเป็นนักดนตรีดีดพินนะก็บูธพินสามสายเนี่ยถ้าขึงตึงไปก็ดีดไม่เพาะอาจจะขาดพึงก็ได้นะถ้าอีกสายหนึ่งถ้าหย่อนไปก็ดีดไม่เพาะเหมือนกันนะต้องดีดพอดีพอดีถึงจะเวลาต้องขึงพอดีพอดีเวลาดีถึงจะเพาะเนี่ย อันที่ก็พูดเป็นอุปมาเพื่อให้ภาะสนานี้ท่านคลายความเพียรลงสักหน่อยเพราะว่าเพียรมากไปก็ฟุง้งซ่านถ้าเพียร น, น้อยก็ง่วงเหงาห่อนอนนะมันก็ไม่น่าแปลกใจนะเออกับบางท่านพระพุทธเจ้านะขณะและขณะยู่ให้ทําความเพียรแต่บางท่านนะพรพุทธเจ้าก็แนะนําใ ห, ให้ให้ทําความเพียรให้น้อยลงไปหน่อยนะคือทําความเพียรพอดี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 อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างนั้นก็ไม่ได้ท่านก็เลยมาถูกลาพุทธเจ้าขอสึกนะพุทธเจ้าแทนที่จะตำหนินะว่าเป็นคนที่ไม่อดทนเป็นคนที่ไม่สู้เป็นคนที่ไม่ขวนขวายรวงกับชักชวนนะให้อยู่ต่อโดยการถามว่าเนี่ยถ้าให้ปฏิบัติข้อเดียวเนี่ยจะได้ไหมคือถ้า150ข้อเนี่ยเยอะไป หรือว่า227้อ่ข้อนี้เยอะไปสมัน้ก็ไม่รู้นะว่า ม, ม, มีกี่ข้อแต่คงจะเยอะนะเป็นร้อยฐานที่พรองจะเข้มงวดขันในพระรูปนี้เนี่ยเข่งขัดในการประพฤตตามสี่ขาบทก็บอกว่าเนี่ยถ้าปฏิบัติข้อเดียวยจะไหวไหมท่านก็บอกได้นะถ้าข้อเดียวปูจจเจ้าก็เลยแนะเนี่ยให้รักษาใจให้เป็นปกติเอาไว้เอาข้อเดียวพอ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 ในบางที่ก็สอนให้อย่าทำความเพียงมากไปหรือว่าแนะให้ปฏิบัติเพียงข้อเดียวถ้าเราใช้ปัญญาเนี่ยนะเราก็จะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าแนะนาอย่างนั้นแต่ถ้าเราศึกษาหรือปฏิบัติโดยไม่ใช้ปัญญามันก็จะมีข้อสงสัยแบบนี้แหละหรือมิฉนั้นเนี่ยเนื่องจากรู้รู้นิ ด, ร, นดรู้หน่อย ก็จะเอาข้อคำแนะนำนี้ไปใช้แบบครอบจั ก, กรวาล น, นะหรือว่าไปใช้ทั้งกับตัวเองแล้ว ก, กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองก็ดีคนอื่นก็ดีอาจจะมีทีสายบุคลิกปัญหาแตกต่างกันก็ได้นะในการปฏิบัติในทางพุทถสาสนายต้องใช้ปัญญานะไม่ใช่ว่า ทำไปแบบซึ่งซึ่งทำตามตามกันไปจะาทำตามถ้าติดที่รูปแบบเนี่ยมันก็จะลงเอ่ยว่าทำตามตามตากันไปนะีสุดท้ายก็ได้แต่กระพี้นะมันไม่ได้แก่นไม่ได้สารละแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยอวุปจาร์เนี่ยนะก็เช่นเดีวยวกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เวลาจะสอนอะไรจะแนะนำท่านก็จะดูคนนะคนบางคนท่านก็สอนเรื่องธรรมะที่ลึกซึ้ง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 ให้ฝึกตนเป็นคนดีให้รู้จักพึ่งตนให้รู้จักกลัวบาปบุนคุณโทษนะแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยท่านก็สอนให้เลยพ้นเรื่องบาปบุนคุณโทษนะให้เข้าใจนะถึงความจริงที่มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมันได้คนที่ยังไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไปได้ยินได้ฟังเรื่องอนัตตามันก็จะเกิดมิจฉาทิฏฐิได้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 คือจะป่วยหรือเจอาหารเป็นพิษหรือไม่ก็อาหารติดคอตายร่างกายมันรับผลอยู่แล้วแต่ร่างกายนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ว่าพอไม่มีตัวกูเป็นผู้รับผลแล้วก็เลยจะกินอะไรก็ได้ไม่มีกูเป็นผู้รับผลมันมีนะมีกายนะและใจเนี่ยอย่างดั่งผลของพฤติกรรมที่ทำนะไม่ว่าบวกหรือลบบุญหรือบาปไม่ว่ า, าพูด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 ปลุกลูกให้ฟื้นขึ้นมาพระองค์เห็นก็รู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยแสดงทำยังไงก็ไม่ได้ผลจะสอนให้เข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เข้าใจว่าชีวิตนี้มันไม่เที่ยงนะคนเราต้องพลดพาจากของรักของชอบใจทั้งนั้นเนี่ยพูดไปก็ใจไม่รับเหมือนกับน้ําล้นแก้วเหมือนกับชาล้นแก้วพราะอารมณ์ความเศร้าโศกเสียใจมันท่วมทน้นจิตใจแล้ว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 แต่พงก็รู้ว่าธรรมะยากๆแบบนั้นหรือแม้แต่ธรรมะเรื่องพื้นๆเรื่องใตลักเนี่ยหรือเรื่องความไม่เที่ยงอ น, นิจจ์เนี่ยมันยังมาใช้กับนางกี่สาโคตรมีไม่ได้เพราะว่าใจยังไม่เปิดครับบางท่านเนี่ยนะก็ไม่ค่อยมีความฉลาดเฉลียวในเรื่องธรรมะเท่าไหร่เวลาจะสอนธรรมะยากๆพวกงก็ไม่ทํานะอย่างเช่น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 แลการที่สี่ก็อึดอัดมากเลยนะอยากจะไปก็ไปไม่ได้เขาต้อง น, น, นั่งทนฟังจนจบเป็นชั่วโมงแต่มีบางวันนะท่านอารมณ์ดีอยากจะฟังธรรมะหลวงพ่อโตก็รู้นะว่าอตอนนี้และการที่สี่อารมณ์ดีอยากจะฟังธรรมะท่านก็แก้งพูดสั้นๆนะว่าทมที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเทศนานี่ สมเด็จพระมหาสมพานนะะบรมบอพิสมพานเจ้าก็รู้เรื่องรู้ทุกอย่างหมดแล้วก็ขอพิสัชนาเพียงเท่านี้แล้วก็ลงจากธรรมะเลยและการที่สี น, นขัดเคืองใจมากนะอยากจะฟังธรรมะนะยาวๆสักหน่อยนึงคราวนี้กลับพูดนิดเดียวอันนี้ก็เป็นอุบายของของหลวงพ่อโตนะที่ท่านอยากจะทำอะไรที่เรียกว่าขัดใจรายการที่สี่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 มันมีแต่ความสื่อที่เป็นกลางอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ไว้นะเรื่องธรรมะมันจะมีหลายลายอย่างนะที่เราได้ยินได้ฟังแล้วบางทีเราก็ไม่เข้าใจทำไมเป็นอย่างนั้นนะให้ลองใช้ปัญญาสักหน่อยเพื่อเข้าใจแล้วก็เพื่อมาใช้กับตัวเองยังนะมีเรื่องเล่าว่ามีอาจารย์มีชาย2คนไปปฏิบัติธรรมในวัดแห่งหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งก็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 ถ้ากินขนมไปด้วยเจริญสติไปด้วยได้ไหมหลวงพ่อบอกว่าได้คนที่สองพอไปเล่าให้คนที่หนึ่งฟังก็นงงนะเลยทําไมหลวงพอ่อพูดไม่เหมือนกันนะทาไมทีชั้นนี้ไม่ได้ทีอีกคนนี้ได้หลวงพ่อนี้ไม่คงเส้งคงวาหรือเปล่าหรือว่าเอาแนวน้อยไม่ได้จริงๆถ้ามีเหตุผลนะก็คือว่าเวลาเวลาจะเจริญสติเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันไม่ควรจะกินอะไร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 รับรู้รสชางการกินไม่เพลินไปกับรสชาติอาหารอันนี้ทําได้ทานองเดียวกันนะเวลาเจริญเวลากินขนมนะกินลอดช่องหรือกินอะไรก็ตามเจริญสติไปด้วยได้นะก็คือว่าเวลามันเพลินไปกับรสชาติอาหารก็รู้หรือว่าเวลาใจลอยคิดโน้คนคิดนี่ก็รู้นะให้กับประโยชน์การกินเพราะฉะนั้นก็มีเหตุผลนะว่าที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเจริญสติไปด้วยกินไปด้วยเนี่ยไม่ได้ นะแต่ถ้ากินขนมไปด้วยเจริญสติไปด้วยนี่ได้นะคนที่ไม่ใช่ปัญญาก็จะก็จะขัดเคืองใจว่าหลวงพ่อท่านเอาแนวนอนไม่ได้นะพูดไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าใช้ปัญญาก็จะรู้ว่าเออมันใช่มีเหตุมีผลเพราะฉะ่าั้นงน่เวลาเราเจริญสติเวลาเราปฏิบัติเนี่ยก็ให้ใช้ปัญญาสักหน่อยนะให้ใช้ปัญญาว่าการปฏิบัติของเราท ร, รมาที่เราํามาใช้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรและมันเหมาะกับ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 เป็นวิธีหนึ่งนะแต่ไม่ใช่ว่าไปติดที่รูปแบบจะไปไหนก็เจริญสติด้วยการสร้างจังหวะอย่างเดียวนะอยู่บนรถเมย์ก็สร้างจังหวนะหรือว่าคอยเพื่อนนั่งเก้าอี้ก็สร้างจังหวะให้รู้จักยักเยื้องบ้างนะเปลี่ยนมาเป็นครึ่งนิ้วก็ได้มากระดิกนิ้วก็ได้อย่าทำอะไรแบบเรียกว่าตาเฉนสองบาทนะหรือว่าทําอะไรแบบเสื่องงติดที่รูปแบบแล้วก็ภูมิจใจว่าฉันปฏิบัติ ท, ทํา แต่ที่จริงอาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้เนะพราะไม่เข้าใจจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติหรือธรรมะที่นำมาใช้รวมทังไม่เข้าใจกรณีที่เกิดขึ้นหรือปัญหาของตัวเอาคานโยกคนเท่านี้นะกราบหา่า